ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายโอกาสของการบรรยายครั้งเดียวเป็นพิเศษเช่นนี้อัตามามีความเห็นว่าควรจะได้กล่าวถึงเรื่องซึ่งเป็นใจความสําคัญเป็นหัวข้อสรุปความของหลักธรรมจะเหมาะกว่าอย่างอื่นฉะนั้นจึงได้ตั้งใจที่จะกล่าวถึงใจความทั้งหมด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 จะตั้งปัญหาเรื่องว่ามีความทุกข์หรือไม่และจะดับทุกข์ได้อย่างไรนี่พระพุทธเจ้าท่านยอมตอบตอบทุกคาผู้ฟังจะเห็นจริงได้ทุกคาโดยไม่ต้องเชื่อดายไปไม่ต้องเชื่อตามผู้พู ด, ดาดไปก็เลยยิ่งเห็นจริงขึ้นทุกทีทุกทีจนเข้าใจเนียวเรื่องนั้นได้ถ้าเข้าใจถึงขนาดดับทุกข์ได้นั้น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 ซึ่งในสูตรที่มีอยู่ในสังยุตตานิายเล่าเรื่องนี้ไว้ชัดว่าเมื่อกําลังเดินกันอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าท่านกำใบไม้ที่เรียราดอยู่ขึ้นมากรรมมือหนึ่งแล้วถามภิกษุทั้งหลายในที่นั้นว่าใบไม้ที่กำขึ้นมานี้กับใบไม้หมดทั้งป่ามันมากน้อยกว่ากันกี่มากน้อยทุกคนก็เห็นได้ว่ามันมากกว่ากันมาจนเปรียบกันไม่ไหว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 บางส่วนก็เป็นรูปของปราชญยาขยายออกไปออกไปเพื่อวัตถุประสงค์ในทางฝ่ายนั้นก็ยังมีอีกมากมายหลายแขนงเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนามันจึงมีมากมายและถูกกวาดเอามารวมเข้าไว้ในคำว่าพุทธศาสนามันเลยทำให้มากถ้าคนไม่รู้ไม่รู้จักจับเอาใจความสำคัญมันก็เลยเหมือนกับว่าเห็นของมากแล้วก็ไม่รู้จะเลือกเอาอันไหนดี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 จึงเป็นเหตุให้ไม่เข้าใจโรคทางฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นจึงขอบัญญัติคำกันขึ้นมาใหม่เป็น3ามคำว่าโรคทางกายหรือ Physical Disease โรคทางจิตหรือ Mental d i s e a s อ2อย่างนี้เอาไว้ในฝ่ายโรคทางกายหมดแล้วก็มีคำว่า Spiritual Disease เนี่แหละคือโรคในทางวิญญาณซึ่งตรงกับทางจิต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 คำว่าวิญญาณในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าวิญญาณพูดผีปีศาจถูกผีสิงอะไรทำนองนั้นไม่ใช่แต่หมายถึงวิญญาณหรือจิตหรือโมโนส่วนลึกที่มันเป็นโรคได้ด้วยอำนาจของกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออวิชชาหรือมิจฉาทิฐิถ้าเป็นจิตที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาหรือมิจฉาทิฐิก็เป็นโรคทางวิญญาณคือเห็นผิด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 การแก้ไขมีอยู่ว่าต้องทำให้ทุกคนในโลกนี้หยุดเป็นโรคทางวิญญาณแล้วจะมีอะไรมาแก้การแก้มันก็ต้องมียูยาที่มีไว้เฉพาะโรคนี้คือธรรมะกำมือเดียวในพระพุทธศาสนาที่จะต้องเข้าให้ถึงให้ได้นั่นแหละคือคำตอบที่ว่าทำไมพุทธศาสนาจึงไม่เป็นที่พึ่งแก่คนในโลกนี้ให้เต็มตามความมุ่งหมาย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 จะช่วยรักษาเยียวยาโรคทางวิญญาณได้โดยตรงและโดยเร็วอย่าให้พร่าจนไม่รู้ว่าไปทางทิศไหนขอให้เป็นไปในรูปที่ว่าเป็นยาอมริ ษ, ษ, ษัทสิทธิ์เพียงกำมือเดียวแล้วใช้ให้มันถูกใช้ให้มันตรงมันก็จะแก้โรคได้หมดแล้วการที่ตั้งกลุ่มหรือสมาคมขึ้นมาอย่างนี้จะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งหรือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้น